ภังขยานและปฏิปทายานทัศนาวิสุทธิปัญญาที่รู้เห็นเกิดดับของรูปนามย่อมหลุดพ้นจากอุปกิเลสเพราะไม่ยึดติดแสงสว่างเป็นต้นและได้ชื่อว่าอุทภะญาณยาที่แก่กล้าเพราะรู้ประจักษ์ความเกิดดับอย่างชัดเจนญาณดังกล่าวและพังคยานเป็นต้น ไปจนถึงอนุโลมยานรวมเป็นวิปัสนาญาณเก้าชื่อว่าปฏิปทายานทัศนวิสุทธิคือความหมดจดแห่งการรู้เห็นปฏิปทาหมายถึงการรู้เห็นที่หมดจดอันเป็นทางบรรลุอริยมรรควิสุธทธินี้เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลาที่ผู้ปฏิบัติทำได้รู้พระตตรลักษณ์โดยเห็นประจักษ์ความเกิดดับของรูปนามอย่างชัดเจน ความปรากฏของพระไตรลักษณ์ที่ดำเนินไปด้วยการเห็นความเกิดดับจะกล่าวถึงต่อไปในตอนที่7และพบในคำพีมหาดีกาของวิสุทธิมัชดังนี้ว่า 1. เมื่อบุคคลแทงตลอดความเกิดดับแล้วอันนี้จะลักษณะย่อมปรากฏขึ้น 2. หลังจากนั้นลักษณะอื่นย่อมปรากฏขึ้นโดยในว่า สภาวธรรมใดไม่เที่ยงสภาวธรรมนั้นเป็นทุกข์สภาวธรรมใดเป็นทุกข์สภาวธรรมนั้นไม่ใช่ตัวตน 3. อีกในหนึ่งในลักษณะคือความเกิดขึ้นแล้วดับไปลักษณะคือความถูกบีบคั้นเนืองๆและลักษณะคือความไม่เป็นไปตามต้องการย่อมปรากฏชัดด้วยการรู้เห็นความเกิดดับ ผู้ที่รู้เห็นความเกิดดับของรูปนามแล้วย่อมเข้าใจพระไตรลักษ์อย่างทองแท้ตามที่กล่าวมาแล้วสติของเขาที่ระลึกรู้เท่าทันปัจจุบันในขณะนั้นย่อมกําหนดรู้ได้ชัดเจนและรวดเร็วทำให้เขาไม่ได้สรงใจสภาวะเกิดขึ้นและตั้งอยู่ของรูปนาม มิได้ใส่ใจกระแส ร, รูปน้ำที่เป็นไปต่อเนื่องเหมือนสายน้ำที่ไหลไปไม่ขาดช่วงอีกทั้งไม่ได้ใส่ใจรูปร่างสันฐานโดยรู้สึกว่าไม่มีรูปร่างของมือเท้าหรือร่างกายเหมือนในเวลาเริ่มปฏิบัติในขณะนั้นเขารู้เห็นความดับไปของรูปน้ำเท่านั้นจัดว่าได้บรรลุพังคยานคือปัญญารู้เห็นความดับไป ดังคำพีวิสุธทธิมักกล่าวว่าหนึ่งผู้ปฏิบัติธรรมนี้ย่อมกำหนดรู้ขันห้าและพระไตรลักษ์ทั้งหมดนั้นตามสภาพที่มีจริงด้วยอุทัพยายานที่เรียกว่าวิปัสนาที่ดำเนินไปตามวิถีพ้นไปจากอุปกิเลสสองเมื่อเขากำหนดรู้อย่างนี้แล้วพิจารณาไตรตรองอยู่เนืองๆว่ารูปนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตนยานั้นก็ดําเนินไปแก่กล้าสามสังขารก็ปรากฏรวดเร็วสี่เมื่อยานดาเนินไปแก่กล้าและสังขารปรากฏรวดเร็วเขาย่อมไม่ใส่ใจความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปต่อเนื่องของรูปนามและรูปร่างสันฐานห้า สติตั้งมั่นอยู่ในนิโรธคือความสิ้นไปความเสื่อมไปและความพินาศไปอย่างเดียวหกเมื่อเข้ารู้เห็นว่าสังขารเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วดับไปอย่างนี้เป็นธรรมดาวิปัสสนาญาณที่ชื่อว่าพังคานุปัสสนาย่อมเกิดขึ้นในที่นี้หนึ่งอุปาทานิโรธความดับรูปนามที่ยังมีเกิดขึ้น 2. อ, อนุปาทานิโรธความดับรูปนามที่ไม่มีการเกิดขึ้นเช่นความดับของท่านผู้เข้าผลสมาบัติหรือนิโรธสมาบัติความดับในที่นี้หมายถึงอุปธานิโรธพระดิกาจาร์จึงเพิ่มคุณศัพท์ว่าขยาวยยเพทนิโรธนิโรธคือความสิ้นไป ความเสื่อมไปและความพินาศไปในคำพีปฏิสัมพิทามรคได้แสดงความเกิดขึ้นของพังคยานไว้โดยพิสดารในที่นี้ขอยกมาแสดงเพียงบางส่วนพร้อมด้วยคำอธิบายจากคำพีอธกถาว่าปัญญาในการรู้เห็นความดับไปโดยรู้เห็นอารมณ์ว่าดับไปชื่อว่าวิปัสนาญาณ 1. คำว่าอารัมมะนะปฏิสังขาโดยรู้เห็นอารมณ์ว่าดับไปหมายความว่ารู้อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งคือเห็นว่าเสื่อมสิ้นไป 2. คำว่าพังคานุปัสเนปัญญาปัญญาในการรู้เห็นความดับไป หมายความว่าปัญญาใดาในการรู้เห็นความดับไปของปัญญาที่เกิดขึ้นรู้เห็นอารมณ์ว่าเสื่อมสิ้นไปนั้นมีอยู่สามปัญญานี้เป็นวิปัสนาญาณข้อความข้างต้นอธิบายสั์ดังต่อไปนี้ว่าคำว่าปฏิสังขยะชานิตวาอธิบายปฏิสังขาสั์ ว่าแปลว่ารู้ไม่ใช่แปลว่าพิจารณาดังคำว่าปฏิสังขาโยนิโสจีวะรังปฏิเซวามิเราพิจารณาด้วยปัญญาแล้วใช้สอยจีวรนส่วนคำว่าขยายโตวิยะโตทิศวาเห็นว่าเสื่อมสิ้นไปอธิบายว่าการรู้ดังกล่าวเป็นการเห็นประจักษ์ความเสื่อมสิ้นไป เพราะเป็นฐานะของพังขยานไม่ใช่การรู้เห็นโดยทั่วไปที่เป็นการเรียนรู้หรือการคิดรู้ผู้ที่บรรลุพังขยานแล้วย่อมรู้เห็นว่ารูปนามในปัจจุบันขณะเช่นสภาวะพองยุบนั่งเดินยื น, ยนเหยียดคู้เห็นได้ยินนึกคิดดับไปมีสภาพดับไปอย่างรวดเร็วในขณะที่กำหนดรู้อยู่นั้น ในบางขณะอาจรู้เห็นว่าจิตที่เห็นประจักษ์ความดับไปได้ดับลงอย่างรวดเร็ววิปัสนาญาณที่รู้เห็นความดับไปของรูปนามและรู้เห็นความดับไปของจิตที่เห็นประจักษ์ความดับดังกล่าวชื่อว่าพังคานุปัสนาหรือพังคยานดังข้อความที่กล่าวว่าหนึ่ง จิตที่รับรู้รูปเป็นอารมณ์เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปสองผู้ปฏิบัติธรรมรู้เห็นอารมณ์นั้นแล้วย่อมตามรู้ความดับของวิปัสนาจิตนั้นสามจิตที่รับเวทนาเป็นอารมณ์จิต ท, ที่รับสัญญาเป็นอารมณ์จิตที่รับส <diamonds again>. ังขารเป็นอารมณ์จิตที่รับวิญญาณเป็นอารมณ์เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป สผู้ปฏิบัติทำรู้เห็นอารมณ์นั้นแล้วย่อมตามรู้ความดับของวิปัสนาจิตนั้นผู้ที่กำหนดรู้สภาวะพองยุบเป็นต้นในปัจจุบันขณะแล้วรู้เห็นความเกิดดับได้การรู้เห็นดังกล่าว เป็นพังคยานที่หนึ่งซึ่งรู้เห็นความดับไปของอารมณ์ที่กาหนดรู้ต่อจากนั้นผู้ปฏิบัติธรรมอาจรู้เห็นวิปัสนาจิตนั้นว่าดับไปการรู้เห็นต่อมานี้ชื่อว่าพังคยานที่สองซึ่งเกิดต่อจากพังคยานที่หนึ่งพังคยานที่สองนี้มีชื่ออื่นอีกว่าปฏิวิปัสนา คือการเห็นประจักษ์อีกครั้งหนึ่งเพราะเป็นการรู้เห็นต่อมาจากสิ่งที่รู้เห็นครั้งแรกคำพีอธิกถาของปฏิสัมพิามักกล่าวว่าเพราะเหตุนั้นโบราณอาจารย์จึงกล่าวว่าย่อมอยังเห็นสิ่งที่ยานรู้แล้วและยานทั้งสองอย่างโดยประการดังนี้ในทุกๆขณะ ที่รูปปรากฏความดับไปพังคยานมักเกิดขึ้นสองขณะคือพังคยานที่หนึ่งรู้เห็นความดับไปของรูปและพังคยานที่สองรู้เห็นความดับไปของวิปัสนาจิตนั้นแม้ในขณะที like ่เวทนาปรากฏความดับไปพังคยานมักเกิดขึ้นสองขณะคือพังคยานที่หนึ่งรู้เห็นความดับไปของเวทนา พังขยานที่สองรู้เห็นความดับไปของวิปัสนาจิตนั้นดังนี้เป็นต้นในขณะที่พังคยานปรากฏขึ้นผู้เจริญวิปัสนาภาวนาย่อมรู้เห็นความดับไปว่าสภาวะธรรมปัจจุบันที่ตนกำหนดรู้และจิตที่รู้เห็นความดับไปได้ดับลงเป็นคู่คู่กันไปอย่างรวดเร็วการรู้เห็นความดับไปของอารมณ์และจิตรู้ เห็นดังกราวเป็นพังขยานอันหนึ่งความดับในเรื่องนี้ไม่ใช่ความแตกดับแต่เป็นความดับสูญไปดังข้อความในคำพีอัตกถาที่อ้างไว้ข้างต้นว่าขยะวยะเพทะนิโรเทเยวะสติสันติทติสติตั้งมั่นอยู่ในนิโรธคือความสิ้นไปความเสื่อมไป และความพินาศไปอย่างเดียวขยัโตวยัโตทิสวาเห็นว่าเสื่อมสิ้นไปในคำพีปฏิสัมพิธามักยังจำแนกความดับไปของทวารหกอารมณหกวิญญาณหกเป็นต้นด้วยคำเป็นต้นว่าจิตที่รับรูปเป็นอารมณ์เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปผู้ปฏิบัติธรรมรู้เห็นอารมณ์นั้นแล้วว่าดับไป ย่อมตามรู้ความดับของวิปัสนาจิตนั้นแล้วอธิบายคำว่าอนุปัสติตามรู้โดยจำแนกเป็นอนุปัสนาเจตในที่นี้จะกล่าวถึงเรื่องนั้นไว้ในตอนที่เจตต่อไปองค์ประกอบของพังขยานกล่าวไว้ในคัมภี์ปฏิสัมพิามากว่ายานที่ถึงพร้อมด้วยองค์สามเหล่านี้ คือการย้ายอารมณ์โดยย้ายจากความดับไปของอารมณ์ไปสู่ความดับไปของวิปัสนาจิตการเปลี่ยนไปแห่งปัญญาโดยเปลี่ยนจากปัญญาที่รู้เห็นความเกิดดับไปสู่การรู้เห็นความดับและความสามารถในการพิจารณาที่สามารถพิจารณาความดับไปของวิปัสนาจิตต่อจากความดับไปของอารมณ์ เป็นพังคยานที่เห็นประจักษ์ความดับไปของวิปัสนาจิตเมื่อรู้เห็นความดับไปของอารมณ์แล้วองค์ประกอบของพังคยานข้างต้นคือหนึ่งการรู้เห็นความดับไปของวิปัสนาจิตต่อจากการรู้เห็นความดับไปของอารมณ์แล้วสองการไม่รู้เห็นความเกิดดับเหมือนขณะเกิดอุทพยักยาน แต่รู้เห็นความดับไปอย่างเดียว3ความสามารถในการพิจารณาที่ชื่อว่าโยนิโสมนสิการเพื่อให้รู้เห็นความดับไปของวิปัสนาจิตได้ทันทีเมื่อรู้เห็นความดับไปของอารมณ์แล้วองค์ประกอบที่หนึ่งและที่สเกิดร่วมกันในขณะเดียวเพราะเมื่อมีการพิจารณาเช่นนั้นแล้ว การรู้เห็นความดับไปของวิปัสนาจิตย่อมเกิดขึ้นในทันทีดังคาภีอัตถกถาของปฏิสัมพิธามรักอธิบายว่า 1. คําว่าวัตถุสังกมนาการย้ายอารมณ์หมายความว่าการรู้เห็นความดับไปของรูปเป็นต้นแต่และอย่างแล้วย้ายไปสู่อารมณ์อื่นจากอารมณ์เดิม ด้วยการรู้เห็นความดับไปของจิตที่รู้เห็นความดับนั้น 2. บาดคาถาว่าปัญญายะจะวิวัตนาการเปลี่ยนไปแห่งปัญญาหมายความว่าการละความเกิดขึ้นแล้วดำรงอยู่ในความดับไป 3. บาดคาถาว่าอวัชนาพันเจวะ กำลังของอวชนะจิตหมายความว่าความสามารถในการพิจารณาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เห็นความดับไปของรูปเป็นต้นทีละอย่างแล้วรู้เห็นความดับไปของจิตที่มีความดับไปเป็นอารมณ์อีกอนหนึ่ง ความสามารถในการพิจารณาอย่างต่อเนื่องคือการเกิดวิถีจิตอย่างต่อเนื่องไม่รับอารมณ์อื่นเพราะการพิจารณามีไม่ได้โดยมีผวังขั้นดังนั้นคำในพระบาลีว่าวัตถุสังกมนาการย้ายอารมณ์และคำในคำภีอัตกะถาว่าอนันตระเมวา อวัชนะสมัตตาความสามารถในการพิจารณาอย่างต่อเนื่องจึงหมายถึงการกาหนดรู้อารมณ์ทีละอย่างไม่ใช่หมายถึงการกำหนดรู้อารมณ์หนึ่งหลายๆครั้งสรุปความว่าผู้ปฏิบัติธรรมควรรู้เห็นความดับไปของรูปนามทีละอย่างที่ปรากฏชัดเจน ไม่ใช่รู้เห็นความดับไปของรูปนามทุกอย่างและความรู้เห็นตลอดทั้งวิถีจิตหนึ่งไม่ใช่แยกกำหนดจิตดวงหน้าและจิตดวงหลังในวิถีจิตหนึ่งนอกจากนั้นควรรู้เห็นความดับไปของสภาวธรรมปัจจุบันอย่างเดียวไม่ควรอนุมานความรู้ดับไปของอดีตหรืออนาคตและความดับไปของสภาวธรรม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 และอนาคตด้วยการอนุมานที่รู้คร้อยตามอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันและความน้อมไปในความดับเป็นพังคยานที่เห็นประจักษ์ลักษณะดับไป 1. กึ่งคาถาว่าการกำหนดโดยสภาพอย่างเดียวกันคือความดับในอารมณ์ทั้งสอง คืออารมณ์ที่เห็นประจักษ์อันได้แก่ปัจจุบันและอารมณ์ที่ไม่เห็นประจักษ์อันได้แก่อดีตและอนาคตด้วยการอนุมานรู้ที่คล้อยตามอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันหมายความว่าการกําหนดอารมณ์ทั้งสองโดยสภาวะอย่างเดียวกันนั่นแหละอย่างนี้ว่ากองสังขารแม้ในอดีตก็พินาศไปกองสังขารแม้ในอนาคตก็จกพินาศไป เหมือนสังขารที่ดับอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยการอนุมานรู้ที่คล้อยตามอารมณ์อันตนรู้เห็นโดยประจักษ์แล้วสองสมจริงดังโบราณจารกล่าวว่าภิกษุผู้มีความเห็นบริสุทธิ์คือพังขยานในสังขารซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันย่อมนำเอาอนุมาน ยานที่คล้อยตามยานเห็นประจักษ์ความดับนั้นไปในกองสังขารที่เป็นอดีตและอนาคตด้วยว่าสังขารทั้งปวงก็มีปกติแตกทำลายไปเหมือนหยาดน้ำค้างเมื่อต้องแสงพระอาทิตย์ก็สลายไปฉะนั้นตามหลักฐานที่นำมาอ้างไว้ในเรื่องนี้ผู้ปฏิบัติธรรมไม่ควรเริ่มกำหนดรู้สภาวะธรรมที่เป็นอดีตหรืออนาคต ควรกำหนดรู้สภาวะธรรมปัจจุบันที่ปรากฏความดับอยู่เท่านั้นเมื่อเขาได้เห็นประจักษ์ความดับไปของสภาวะปัจจุบันแล้วก็จะอนุมานรู้ความดับไปของอารมณ์ที่เป็นอดีตและอนาคตได้ในบางขณะการอนุมานรู้เห็นเรียกว่าอนุมานญาณ น, นี้เกี่ยวกับการพิจารณาอารมณ์ที่เป็นอดีตและอนาคตซึ่งเกิดต่อเนื่องจากการเห็นประจักษ์ ที่เรียกว่าปัจจคยานดังนั้นผู้เจริญวิปัสนาจึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาให้เห็นความดับไปด้วยการนึกคิดหาเหตุผลตามหลักทฤษฎีผู้ที่บรรลุพังคยาระดับแก่กล้าแล้วย่อมรู้เห็นความดับของรูปนามที่กำหนดรู้และความดับของวิปัสนาจิตควบคู่กันไปอย่างรวดเร็ว เหมือนเมล็ดงาแตกที่ถูกคั่วในหม้อเหมือนฟองน้ําบนผิวน้ําที่เกิดจากฝนตกหนักและเหมือนพยับแดดดังพระพุทธจวัฒนะที่หมายถึงบุคคลดังกล่าวว่าผู้ที่มองเห็นโลกว่าไม่เจรังและหาสาระม่ได้เช่นเดียวกับคนที่มองฟองน้ําและพยับแดดเช่นนี้พยามัจจุราชย่อมตามหาไม่พบ บุคคลที่บรรลุพังคยาแล้วย่อมไม่เกิดอวิชชาตัณหาอุปทานกรรมในภพใหม่และขันในอารมณ์ทุกอย่างที่อยู่ว่าดับไปด้วยพังคยานดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่ามัจจุราชานะปัสติพยามัจจุราชย่อมตามหาไม่พบโดยหมายถึงการปราศจากความตายชั่วขณะ เพราะไม่มีภพใหม่และขันอีกทั้งหมายถึงการปราศจากความตายโดยสิ้นเชิงในภพใหม่เมื่อบรรลุอรหัตผลแล้วคือเมื่อไม่มีความเกิดในภพใหม่ความตายในภพใหม่ก็ไม่มีพยาญานอาทีนวายาณนิพิทายาน และปฏิปทายานทัศนวิสุทธิผู้ที่บรรลุพังคยานอันแก่กล้าแล้วย่อมเข้าใจว่ารูปนามในอดีตดับไปแล้วรูปนามในปัจจุบันกําลังจะดับอยู่และรูปนามในอนาคตจะดับไปเหมือนกันจึงเกิดปัญญาที่รู้เห็นว่ารูปนามเป็นสิ่งน่ากลัวที่เรียกว่าพยายญาณ ดังคำพีวิสุทธิ์ที่มักกล่าวว่าเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมนั้นเห็นอยู่ว่าสังขารที่เป็นอดีตได้ดับไปแล้วที่เป็นปัจจุบันกําลังดับอยู่ถึงแม้สังขารจะเกิดขึ้นในอนาคตก็จกดับไปยานชื่อว่าพยายญาณที่เห็นประจักษ์ว่าน่ากลัวย่อมเกิดขึ้นณนที่ตรงนี้ พยากณเป็นปัญหาที่ประกอบด้วยความกลัวในรูปแบบที่ดับไปทุกๆขณะที่รู้เห็นและยังเป็นญาณที่สําคัญว่าน่ากลัวในอารมณ์ที่พิจารณารู้อีกด้วยในขณะนั้นจิตของผู้ปฏิบัติธรรมมักไม่สดชื่นแจม่มใสเหมือนขณะเกิดอุทัพยากณและพังขยานแต่ไม่ใช่ความกลัวผู้ร้าย หรือปีศาจเป็นเพียงความไม่สดชื่นเจีมใสเพราะรู้เห็นความจริงว่ารูปนามเป็นของน่ากลัวดังคาภีวิสุทธิมักกล่าวว่าหนึ่งถามว่าพยัยานที่เห็นประจักษ์ว่าน่ากลัวกลัวหรือไม่ 2. ตอบว่าไม่กลัว 3. เพราะยา น, นั้นเป็นเพียงความเข้าใจว่า สังขารที่เป็นอดีตก็ดับไปแล้วที่เป็นปัจจุบันกำลังจะดับอยู่ถึงแม้สังขารที่เกิดขึ้นในอนาคตก็จะดับไปเมื่อพยายานแก่กล้าแล้วอาทีนวายาณย่อมเกิดขึ้นลำดับนั้นผู้ปฏิบัติย่อมไม่เห็นรูปนามที่กำหนดรู้อยู่ว่าเป็นสิ่งที่ดีงามอีกทั้งไม่เห็นรูปนามอื่น และพบที่ตนอนุมานรู้ด้วยการพิจารณาว่าสิ่งที่ดีงามเขาพบแต่ความน่ารังเกียจของสิ่งที่กำหนดรู้และพิจารณาความเกิดขึ้นของพยายชนะีนวยานนี้กล่าวไว้ในคัมภีร์ปฏิสัมพิธามักว่า 1. ปัญญาในความปรากฏโดยความน่ากลัวว่าความเกิดขึ้น ของรูปนามหน้ากลัวเป็นอาทีนวายานความดําเนินไปของรูปนามหน้ากลัวเป็นอาทีนวายานนิมิตคือสังขารรูปนามหน้ากลัวเป็นอาทีนวายานความขวนขว า, คว า, าย ค, วา ค, วาคือกุศลและอกุศลหน้ากลัวเป็นอาทีนวายานการเกิดใหม่หน้ากลัว เป็นอาทีนวญาณคติภูมิที่ไปเกิดโดยความเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตวเ er ดรชาญการเกิดเป็นมนุษย์และเทวดาน่ากลัวเป็นอาทีนวญาณความบังเกิดน่ากลัวเป็นอาทีนวญาณความเข้าไปถึงน่ากลัวเป็นอาทีนวญาณความเกิดน่ากลัวเป็นอาทีนวญาณ ความแก่หน้ากลัวเป็นอาทีนวายานความเจ็บไข้หน้ากลัวเป็นอาทีนวายานความตายหน้ากลัวเป็นอาทีนวายานความเศร้าโศกหน้ากลัวเป็นอาทีนวายานความคล่ำครวนหน้ากลัวเป็นอาทีนวายานความคับแขนใจหน้ากลัวเป็นอาทีนวายาน2 ปัญญาในความปรากฏโดยความน่ากลัวว่าความเกิดขึ้นของรูปนามเป็นทุกข์เป็นอาทีนวายานความดำเนินไปของรูปนามเป็นทุกข์เป็นอาทีนวายานความคับแค้นใจเป็นทุกข์เป็นอาทีนวายานสามปัญญาในความปรากฏโดยความน่ากลัวความเกิดขึ้นของรูปนาม เป็นการเจือด้วยอามิตรเป็นอาทีนวายานความคับแค้นใจเป็นการเจือด้วยอามิตรเป็นอาทีนวายาน 4. ปัญญาในความปรากฏโดยความน่ากลัวความเกิดขึ้นของรูปนามเป็นสังขารที่ไม่สงบสุขเป็นอาทีนวายานความคับแค้นใจเป็นสังขารเป็นอาทีนวายาน ในวาระที่สามข้อความว่าความเกิดขึ้นของรูปนามเป็นการเจือด้วยอามิตรเป็นอาทีนวายานหมายความว่าบ้านที่มีเชื้อไฟในฤดูร้อนย่อมทำให้กังวลว่าไฟจะไหม้บ้านฉันใดรูปนามที่เจือด้วยกรรมคุณและวัตทุอันเป็นอาหารของ ไกิเลดก็น่ากังวลฉันนั้นมือที่เปื้อนอาหารย่อมน่ารังเกียจฉันใดรูปนามที่เจือด้วยอาหารคือกิเลสอันสกปรกเคร้าร้อนก็น่ารังเกียจฉันนั้นผู้ที่รู้เห็นความเกิดดับของรูปนามปัจจุบันและวิปัสสนาจิตด้วยพังคยาแล้วในบางขณะอาจพิจารณาถึงปฏิสนธิ ที่เป็นการเกิดใหม่ของรูปนามในภพนี้แล้วรู้สึกว่าน่ากลัวและไม่ใช่สิ่งที่ดีงามการรู้เห็นอย่างนี้เป็นพยยยาณและอธิวณยาณไปพร้อมกันพึงทราบความเกิดขึ้นของญาณทั้งสองในข้อความอื่นตามในที่กล่าวนี้มีข้อพิเศษในเรื่องความดำเนินไปของรูปนาม และนิมิตคือสังขารรูปนามว่าเป็นสิ่งที่รู้เห็นโดยประจักษ์เหมือนความเกิดขึ้นของรูปนามไม่ใช่สิ่งที่อนุมานรู้ด้วยการพิจารณาในทั้งสิบห้าบทเริ่มจากความเกิดขึ้นของรูปนามไปจนถึงความคับแค้นใจอุปายาตห้าบทแรกคือความเกิดขึ้นของรูปนาม ความดำเนินไปของรูปนามนิมิตคือสังขารรูปนามความขวนขวายคือกุศลและอกุศลการเกิดใหม่แสดงอารมณ์ที่เกิดของพยาญาณและอาทินวญาณส่วนบทที่เหลือสิบบทมีภูมิที่ไปเกิดคือคติเป็นต้นกล่าวไว้เพื่อแสดงคาไวยพ์ของบทเหล่านั้น หรือเพื่อให้ผู้มีปัญญามากอนุมาณรู้ได้คำไวยพ์ดังกล่าวโดยมีบทที่เหมือนกันคือความบังเกิดนิพพติความเกิดชาติความเกิดขึ้นของรูปนามอุปทะและการเกิดใหม่ปฏิสนธิภูมิที่ไปเกิดและความเข้าถึง ความดำเนินไปของรูปนามความแก่เป็นต้นหกบทนิมิตคือสังขารรูปนามจากวาระทั้งสี่วาระข้างต้นวาระแรกแสดงความเกิดขึ้นของพยาัญยาด้วยคําว่าพยังคือน่ากลัววาระหลังแสดงความเกิดขึ้นของอาธิวณยานด้วยคําว่าทุกขัง คือเป็นทุกข์สามิสังเจออด้วยอมิรและสังขาราคือสังขารดังคำภีมหาดีกาของวิสุทธิมักกล่าวว่า 1. ในเรื่องนั้นปัญญาที่ดำเนินไปด้วยอาการน่ากลัวชื่อว่าพย า, ยานที่เป็นประจักษ์ว่าน่ากลัว 2. ญยานที่ดำเนินไปโดยเนื่องด้วยอาการอื่น เพื่อทราบว่าเป็นอาธีวณญานผู้ปฏิบัติธรรมที่รู้เห็นความเกิดขึ้นของรูปนามว่าน่ากลัวเป็นทุกข์เจือด้วยอมิรและเป็นสังขารที่ไม่สงบสุขย่อมเกิดปัญญาอนุมานรู้พระนิพพานโดยลักษณะตรงกันข้ามว่าความไม่เกิดขึ้นของรูปนามความไม่ดำเนินไปของรูปนามความไม่มีนิมิตคือสังขารรูปนาม ความไม่ขวนขวายคือกุศลและอกุศลและการไม่เกิดใหม่เป็นความกเกษมเป็นสุขที่หลุดพ้นจากอมิตรคือวัตตทุกกรรมคุณและกิเลสดังนั้นในคำพีปฏิสัมพิธามักจึงกล่าวถึงความรู้ในทางบรรลุสันติสีวระว่า 1. ความรู้ว่าความไม่เกิดขึ้นเป็นแดนกเกษมเป็นความรู้ในทางบรรลุสันติ 2. ความรู้ว่าความไม่เกิดขึ้นเป็นสุขเป็นความรู้ในทางบรรลุสันติ 3. ความรู้ว่าความไม่เกิดขึ้นเป็นการไม่มีอามิตรเป็นความรู้ในทางบรรลุสันติ 4. ความรู้ว่าความไม่เกิดขึ้นเป็นนิพพานเป็นความรู้ในทางบรรลุสันติอหนึ่ง ความรู้ในทางบรรลุสันติที่แสดงไว้ในวาระสีน่นี้ไม่ใช่พยาญาณหรืออาทีวนาญาณแต่เป็นอนิสงส์ที่เกิดจากญาณทั้งสองข้างต้นเมื่ออาทีวนาญาณแก่กล้าแล้วนิพิทายาณคือปัญญารู้เห็นความเบื่อนายย่อมเกิดขึ้นในขณะนั้นผู้ปฏิบัติย่อมเข้าใจว่ารูปนามที่กําหนดรู้หน้าเบื่อน่าย เพราะรู้เห็นโทษด้วยอาทีวณยานั่นเองแม้จะพิจารณาถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็รู้สึกว่าน่าเบื่อนายแม้แต่ความฟุ้งซ่านก็ยังน่าเบื่อนายความปรากฏของญาณ น, นี้ตรัสไว้ในคัมภีร์ธรรมบทว่าเมื่อใดบุคคลอย่างเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อนายในทุก ความเบื่อหน่ายในทุกนี้เป็นทางแห่งความหมดจดเมื่อใดเขายังเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ความเบื่อหน่ายในทุกนี้เป็นทางแห่งความหมดจดเมื่อใดเขายังเห็นด้วยปัญญาว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ความเบื่อหน่ายในทุกนี้เป็นทางแห่งความหมดจด เมื่อใดบุคคลอย่างเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงหมายความว่าในขณะที่พังขยานแก่กร้าผู้ปฏิบัติธรรมย่อมรู้เห็นด้วยอนุมานยานที่คล้อยตามปัจจะขยานว่าสังขารคือรูปนามทั้งปวงไม่เที่ยงบาทคาถาว่าอัถนิพพินทะติทุกเข เมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์หมายความว่าในเวลาเช่นนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายด้วยนิพพิทายานในทุกขคือรูปนามที่ตนเห็นว่าน่ากลัวและเป็นโทษ ด, ด้วยพยายาและอาทีวณญาณในคมพีมหาดีกาของวิสุทธิมรรคเล่มหนึ่งหน้าที่สิบสามได้อธิบายเรื่องนี้ไว้อีกในหนึ่งว่า กึ่งคาถาว่าสเพสังขาราทุกขาติทยาปัญญะปัสสติเมื่อใดบุคคลอย่างเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงหมายความว่าเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมรู้เห็นว่าสังขารไม่เที่ยงด้วยสมัมมาสนญญาณเขาย่อมเบื่อหน่ายในทุกขในภายหลังที่บรรลุอุทธพยัญายาเป็นต้นแล้ว ตามในนี้คำว่าอัตตะแปลว่าในภายหลังในแรกแปลว่าเมื่อนั้นเมื่อนั้นวิปัสสนาญาณทั้งสามคือพยาญาณอาทิวนญาณและนิพิทฐานมีลักษณะเห็นโทษของรูปนามเหมือนกันต่างกันโดยความเป็นญาณระดับอ่อนปานกลางและแก่กล้าตามลำดับ ดังนั้นเมื่อพยัญายาเกิดขึ้นแล้วไม่นานนักจึงมีอาทิวณายานและนิพิทายานปรากฏแก่บุคคลบางท่านนอกจากนั้นบางท่านก็มีลำดับญาณก้าวหน้าเร็วที่อาจพบลักษณะกลัวเห็นโทษหรือเบื่อหน่ายเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างดังคำภีวิสุทธิมักกล่าวว่าหนึ่ง ดังนั้นโบราณอาจารย์จึงกล่าวว่าพยายานเดียวนั้นมีสามชื่อคือชื่อว่าพยายานเพราะเห็นสังขารทั้งปวงว่าน่ากลัวชื่อว่าอธีวณญาณเพราะให้เห็นโทษในสังขารชื่อว่านิพิทายานเพราะบังเกิดความเบื่อหน่ายในสังขารที่เห็นโทษแล้วนั้นสอง แม่ในพระบาลีปฏิสัมพิามักก็กล่าวว่าปัญญาใดในการเห็นประจักว่าน่ากลัวปัญญาใดในการเห็นโทษและปัญญาใดที่เห็นความเบื่อหน่ายปัญญาเหล่านั้นมีสภาพเดียวกันต่างกันก็แต่เพียงศัพท์